ท่านเห็นว่าชายคนนั้นทำถูกหรือผิดเขาทำผิดอย่างแน่นอนทีเดียวท่านผูเจริญทางที่ถูกเขาควรจะทำยังไงเขาควรหันเข้าสํารวจตัวเองซะก่อนถ้าพบ ร, พรอยปรเปื้อนจริงดังที่คนาดื่นทับทวงก็ควรขอบใจเขาแล้วรีบไปล้างสิ่งโสโครกนั้นออกซะตนจะได้มีใบหน้าสะอาดหมดจดดังเดิมนี่แหละวราหะคําทักท้วงของคนอื่นทําให้ใบหน้าของชายคนนั้นสะอาดได้ชันใด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 วาราหะได้กลายเป็นคน ส, สงบเงี่ยมไม่เย่อหยิ่งขือตัวยินดีรับฟังคำวิพากษ์วิจารจากธรรมิกับอย่างชื่นตาเป็นคาที่น่ายินดีที่คําสั่งสอนได้ผลพระเวรุวานารามก็เป็นอันหมดเสี้ยนามมีแต่สันติสุขทุกทีกท่วาราตรีคนเหล่านั้นส่วนมากไม่ได้ศึกษาดูตัวเองอย่างละเอียดโดยจิตใจอันเป็นธรรม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 ยึขัดกับความรู้สึกนึกคิดของเขาทาให้เขาเกิดความไม่พอใจแล้วก็ผูกโกรธหาทางทำลายตัดรอนผู้ตมินินี่เป็นมูลเหตุให้เกิดความยุ่งยากปัน ป, นป่วนในชุมนุมชนอย่างเรื่องนี้มีความจริงอยู่อย่างหนึ่งความจริงอะไระท่านผู้เจริญผู้ใหญ่ที่คณะป่าโมกมีอำนาจบริหารหมู่คณะย่อมเป็นที่เคารพเกรงกลัวของผู้น้อย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 ไม่ยอมฟังความคิดเห็นของคนอื่นเพราะว่าคำของคนอื่นใช้ไม่ได้พอต่อมาได้รับคำตำหนิติดเตียนวิพากวิจารจากผู้อื่นก็เกิดความไม่พอใจรุนแรงกว่าคนธรรมดาเกิดความไม่พอใจใครแล้วมักจะใช้อานาจหน้าที่ของตนกำจัดผู้นั้นเสียหรือหาทางทาลายตัดรอนโดยประการต่างๆทำให้ชุมุมชนนั้นกลายเป็นอาณาจักรแห่งความหวาดกลัว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 จำนวนไม่อาจจะค้นนาได้เสร็จสงครามแล้วทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายแพ้และชนะต่างก็ย่อยยับไปได้วยกันแต่นับว่าโชคดีตั้งแต่ข้าพเจ้ามาอยู่ที่นี่เป็นระยะที่ว่างเว้นการสงครามแต่ไฟเวนยังคุ ก, กรุ่นอยู่ในหัวใจกระสับตลอดถึงแม่ทัพนายกองของฝ่ายมคตเพราะสงครามครั้งสุดท้ายอาณาจักรมคธเป็นฝ่ายปลาชัย ขุนศึกทุกคนจึงแค้นใจและเริ่มเตรียมทำสงครามเพื่อลบรอยแค้นท่านทราบเรื่องนี้ดีสุภูตะที่ทราบก็เพราะว่าชาชกันจำนวนหมื่นได้ถูกเกณฑ์เข้าค่ายฝึกช้างมา้ามีการสสมสเสบียงและอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆอย่างเร่งรีบซึ่งก็เชื่อเหลือเกินว่าทางโกศนรัฐก็คงเตรียมพร้อมด้วยเหมือนกันเห็นทีสงครามจะเกิดขึ้นอีกเป็นแน่แท้ ข้าพเจ้ามีข่าวดีจะบอกท่านข่าวดีอะไรท่านเรวตัตตสงครามที่ท่านกลัวคงไม่เกิดขึ้นท่านรู้ได้ยังไงล่ะข่าวนี้แพร่สะพัดไปทั่วนครว่าทั้งฝ่ายโกศลรัฐได้ส่งคณะทูตสันติมาขอเจรจากับฝ่ายมะค์เพื่อหาทางป้องกันไม่ให้เกิดสงครามทั้งกรุงราชาเรือก็ให้เกียรติอย่างสูงแก่คณะทูตสันติจาด ก, กรุงสาวัตถี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 พรคณะกรรมการแต่ละฝ่ายไม่มีความไว้วางใจต่อกันขณะนี้การเจรจายังคงเนินอยู่ใช่ไหมยังดำเนินอยู่นั่นดูเหมือนไม่ใครมานะ่ะคนที่เคยมาฟังทำบ่อยๆ อ, อ๋อดูเหมือนเป็นผู้สัมทั์ในวงการบ้านมืองคนหนึ่งทีเดียวดีแล้วเดี๋ยวจะได้เธอโอกาสถามซะเลย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 คำพูดทั้งสองฝ่ายแล้วไม่เป็นที่เชื่อถือได้นี่เป็นต้นเหตุในการเจรจาทักชาและอาจนำไปสู่ความล้มเหลวในที่สุดแล้วสงครามนองเลือดก็จะอุบัติขึ้นอีกท่านสุดจิตตะละ่ะมีความเห็นยังไงท่านพูดเจริญข้าพระเจ้าเธอมั่นเหลือเกินว่าการเจรจาคราวนี้จะไม่มังเกิดผลแต่อย่างใดเขาจะตกลงกันไม่ได้ถึงตกลง ก็ลดอาวุธตามข้อตกลงไม่ได้ถึงลดอาวุธได้สงครามก็ยังเกิดอยู่นั่นเองถ้าเขาลดอาวุธได้แล้วสงครามยังจะเกิดอีกเหรอเกิดแน่นอนเขาจะเอากำลังที่ไหนมารบกันเขาก็สร้างอาวุธขึ้นมาใหม่น่ะสิสร้างไม่ได้ถ้าสร้างขึ้นมาก็ขัดกับข้อตกลงลดกํบบาลังรบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องคัดค้านถ้าเขาจะสร้าง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 แต่ถ้าเราตัดถอนรากถอนโคนต้นไม้นั้นซะมันจะไม่ออกผลให้เราต้องคอยทิ้งด้วยความลำบากอีกต่อไปนี่คือความเห็นของอาตมาในฐานะเป็นธรรม อะไรข้าพเจ้าชื่อปุณนมนบเป็นบุตรแห่งตระกูลพรามข้าพเจ้าเคยฟังคําบรรธรรมสวรรค์ญญเสมอและเกิดความเบื่อสายอยากจะบวชเป็นพระพิสุในพุทธศาสนาแต่ขาดต้วยไม่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาข้าพเจ้าพยายามบิงวบท่านทุกวันแต่ท่านก็ไม่ยินยอมจึงนีมาหาท่านเพื่อขอให้ท่านบวชให้ท่านอายุเท่าไรมานบข้าพเจ้ายุยี่สิบห้าปี เคยมีเจตนาจะบวชจริงๆหรือบวชชั่วคราวข้าพเจ้าตั้งใจจะบวชจริงๆความจริงเธอกําลังอยู่ในวัยหนุ่มแน่นเป็นวัยที่กําลังเพลิดเพลินอยู่กับอารมณ์ของโลกไม่น่าคิดอยากจะสละโลกออกสู่ชีวิตอันเงียบเงาวของพระเธอมีความคิดเห็นยังไรจรงได้ตัดสินใจจะบวชเข้าไเท้าขอเรียนตามตรงว่าข้าพเจ้าเล้เกิดความเบื่อหน่ายโลกโลกทําอะไรให้เธอเจ็บทาน้ําใจล่ะ เธอจึงเกิดความเบื่อหน่ายอ๋อหาไม่ได้ตรงกันข้ามเราให้ความอภิรมุขทุกอย่างแก่ข้าพเจ้าตระกูลของข้าพเจ้าร่ำรวยข้าพเจ้าเป็นบด็คนเดียวที่พ่อแม่ตามใจทุกอย่างข้าพเจ้าได้ใช้ชีวิตหาความสุขสํำราญจากโรคทุกแง่ทุกมุมมาเป็นเวลาหลายสิบปีละในที่สุดก็ไม่เห็นได้สาระอะไรเลยเธอคิดอย่างนั้นเลยถูกแล้ ว, ลวความสุขของโลกนั้นมีนะสุขของโลกเป็นความสุขไม่บริสุทธิ์ เป็นสุขชั่วคราวท่านรู้มาจากไหนว่าสุขของโลกไม่บริสุทธิ์เป็นสุขชั่วคราวข้าพเจ้ารู้มาจากพระคุณเจ้านะี่ะพระคุณเจ้าเคยบอกว่าสุขทางโลกนั้นตั้งอยู่บนรากฐานคือความอยากหรือตัณหาอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรต่างๆเมื่อยากก็แสวงหาสิ่งต่างๆมาสนองความอยากหารูปไม้ตาชม หาเสียงมาให้หูฟังหากลิ่น ม, มาให้จมูกดมหารถมาให้ลิ้นลิ้มหาสัมผัสมาให้กายถูกต้องหาอารมณ์ต่างๆมาบำเรอจิตใจถ้าหาสิ่งต่างๆมาบำเรอปัญหาได้ก็รู้สึกเป็นสุขแต่สุขอยู่เพียงชั่วคราวก็เกิดควาเมเบื่อหน่ายอยากได้อยากนี้อยากเป็นในอารมณ์อื่นๆอี ก, อกต่อไปอีกแล้วก็ไกว้ า, วาหาหาได้มาบำรุงบำเรอความสุขอยู่ชั่วคราว แล้วก็เวรนายอีกหาใหม่อีกเป็นอยู่ที่นี่ไม่รู้จักจบสิ้นเมื่อพิจารณาโดยแยกใครเห็นความจริงข้อนี้นะข้าพเจ้าจึงคิดจะปลดปลื้อนตัวเองให้พ้นไปจากความเป็นทายของปัญหาเสียทีความคิดของเธอชอบ้วยเหตุผลแล้วมานก กินข้าวไปจ้างนัถูกต้องคนเราทุกคนตั้งตกเป็นธาตตันหาอย่างไม่เลืมคู ล, ลืมตาตันหาเปรียบเสมือนเสือร้ายที่เราเลี้ยงไว้เป็นเสือตัวมหฮมามีปากถึงหกปากกินอาหารถึงหกชนิดพระคุณเจ้าปากหกปากทั้งหมายถึงอะไรอ่ะปากทั้งหกคือตาหูจมูกเลนกายใจแล้วอาหารทั้งหกละ่ะพระคุณเจ้า อาหารทั้งหกชนิดก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและทันมารมตันหาพยา ก, กินอาหารตลอดเวลาไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอดดกรองไฟที่ไม่รู้จักอิ่มด้วยเชือ้อดดมหาสมุทรที่ไม่รู้จักอิ่มด้วยน้ำเราต้องต่อสู้ดิ้นรนตัวเป็นเกลียวตั้งแต่เกิดจนเกิดทั้งตายเพื่อหาอาหารทั้งหกชนิดมาให้ตันหากิน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 ยอมตัวลงเป็นทาสของตันหาด้วยความเต็นใจแล้วรับใช้ด้วยความซื่อสัตย์จงรักภักดีฝ่ายตันหาเมื่อเราเอา อ, อกเอาใจมันก็พาเราวิ่งวนไปมาในวัฏสงสารอันเต็มไปได้วยเพลิงทุกข์คือเกิดแก่เจ็บตายโศกเศร้าเสียใจดูก่อนมนุษย์พระพุทธเจ้าได้ทรงพิจารณาเห็นความจริงข้อนี้ และเกิดความสังเวชสลดใจที่ได้ตกเป็นทาสรับใช้ตันหามานานในที่สุดพระองค์ได้ตัดสินพระไทยที่จะปลดปล่อยตัวให้พ้นจากพันธนาการแห่งตันหาดังที่เธอคิดอยู่ในขณะนี้ในที่สุดพระองค์ก็ทรงปราบตันหาได้อย่างราบคาบเด็ดขาดทรงประกาศอิสรภาพให้แก่พระองค์เองไม่เป็นทาของตันหาอีกต่อไปเป็นอิสรเสรีอย่างสมบูรณ์ จากกรงเล็บของตันหานี่แหละคือจุดประสงค์สูงสุดของนักบวชทุกคนการปลดตันหามันง่ายหรือเกินการปลดเครื่องตันหานี่ถ้า ไ, ไดายหรือกันไม่ที่ทำได้ง่ายง่ายอย่างที่พูดลงน้ำมานหรอกคนเข้าใจว่าตันหานั้นคือตัวของเราเองเลยไม่มีแม้แต่ความคิด ที่จะทำลายตัญหาคือนายพุทธารุณคิดจะทำลายก็ไม่อาจจะทำตามที่คิดได้ไง่ายง่าเพราะอะไรนะพระคุณเจ้าเพราะถูกตัญหาต่อต้อตานอย่างหนักหน่วงจนในที่สุดต้องพ่ายแพ้กลับไปเป็นท่าของตัญหาต่อไปตามเดิมเป็นอย่างนี้แหละอาตมาจึงอยากทราบความตั้งใจของเธอเสียก่อนว่าเธอจะตั้งใจจริงแค่ไหนถ้าตั้งใจจะบวชเพียงชั่วคราว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 แต่ข้าพเจ้าไดตัดสินใจอย่างเด็กขาดแล้วว่าจะจัดการกับปัญหาอย่างจริงจังขอท่านได้โปรดอนุญาตให้ข้าพเจ้าบวชอาตมาดูแล้วเธอเป็นคนหนึ่งที่มีความตั้งใจจริงในการบวชถ้าได้บวชสมประสงค์คงตั้งใจปฏิบัติจริงและถ้าบารมีแก่กล้าพออาจจะได้บรรลุมรรคผลชั้นใดชั้นหนึ่งแต่หน่าสียดายเหลือเกิน ที่ไมสามารถจะบวชให้เธอได้บวชให้ไม่ได้อะท่านพิจเรนทําไมเข้าไปเจ้าจึงบวชไม่ได้อ่ะทําไม่ประสงค์จะบวชให้ข้าไปเจ้าใช่มะไม่ใช่ยเ ง, งินดอกนามานกอาตมายินดีที่จะบวชให้เธอแต่ที่บวชให้ไม่ได้ก็เพราะว่าเธอไม่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาไม่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาก็บวชไม่ได้เงี้ยแหละท่านพิจเรน ถูกแล้วอาตมาไม่อาจจะบวชให้ได้เพราะขัดต่อพระพุทธบัญญัติถ้าเธอประสงค์จะบวชจริงๆจงกลับไปวิงวอนขออนุญาตบิดามารดาใหม่ท่าพิจารณ์ข้าพเจ้าคงไม่มีหวังได้รับอนุญาตจากบิดามารดาเพราะที่ท่านท่านนะ่ะห่างแข็งขันเหลือเกินนอกจากเธอแล้วมีใครอีกบ้างที่จะอยู่ครองเรือนปฏิบัติ บ, ตบำรุงบิดามารดาของเธอ ไม่มีเลยท่านผู้เจริญถ้าอย่างนั้นเธอควรระ ง, งับความคิดที่จะบวชไว้ก่อนตอนได้ซึ่งบุญบิดามารดาแล้วจึงค่อยบวชทีหลังแต่ว่าถ้าเธอยังคิดที่จะบวชระหว่างนี้ก็จะเป็นการทอดทิ้งบิดามารดาไว้แต่เดียวได้ขาดผู้อุปถัมภ์บำรุงเป็นการกระทําอันไม่สมควรเพราะบิดามารดานั้นเป็นผู้มีอุปการะคุณต่อบุตรอย่างสูงเป็นผู้ให้ทรัพย์อันมีค่าสูงสุดในชีวิต และร่างกายแก่บุตรเป็นบุพพาจารย์ผู้อบรมแนะนำพร่ำสอนบุตรก่อนครัวอาจารย์ทั้งหมดเป็นพรมผู้มีพรมวิหารธรรมคือเมตตาการุณามมทิตาอุเบกขาแก่บุตรไม่มีวันเสื่อมถอยบุตรจึงเป็นนี่บิดามารดาควรใช้นีท่านด้ยวยการปฏิบัติเลียนดูท่านข้าแต่ท่านพเจารณเรื่อบนคนี่เป็นสิ่งทข้าพระเจ้าสมมติยเสมอ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 ไม่ได้อยู่ตามภาพตามเขาแต่อยู่ที่ตัวเราทุกคนนั่นเองอยู่ที่ตัวเราถูกแล้วถ้าเรารู้จริงเห็นแจ้งตัวเองแล้วก็จะถึงมรรคผลได้ขอให้ศึกษาค้นคว้าตนเองศึกษาได้เห็นว่าตัวเราทั้งส่วนนามและรูปนี้เป็นส่วนผลเปรียบเหมือนผลไม้ซึ่งเกิดมาแล้วจะต้องสุกงอมและเปิดเน่าไปตามธรรมชาติของมาัน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 ซึ่งมีข้อปฏิบัติทำให้เป็นผู้เบาจากกิจกังวลต่างๆและทำให้จิตใจสงบได้ดียิ่งขึ้นเมื่อรักษาศีลได้อย่างเคร่งครัดแล้วพิ่งปฏิบัติในข้อที่สองเรียกว่าสมาธิารุณาชี้มาให้ละเอียด้ท่งนพิจารณปฏิบัติในขั้นที่สองเรียกว่าสมาธินั้นคือหาโอกาสปลีกตัวไปอยู่ในที่สงบเงียบแล้วฝึกหัดข่มจิตใจเยียจิตฟงซ่าน